ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โลมโหติยานในวันนี้คงเป็นการตอบปัญหาเช่นเคยต้องถามว่าชายสามโบทหมายถึงอะไรเข้าใจยากจริงก็ที่จริงก็ไม่ยากนะชายสามโบทหมายถึงว่าคนที่เกิดมาชาติหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนาศาสนาถึงสามสาศาสนาก็เรียกว่าชายสามโบทไม่ใช่บสถ์สามครั้งแล้วนะฮะบสถ์สามครั้งนี่บสถกี่ครั้งก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน่ะ พระพุทธเจ้าเองก็เคยบวชตั้งเจ็ดครั้งในพระชาติบางพระชาติเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของความเสียหายอะไรนั่นบวชแล้วขอให้ประพุทธปฏิบัติดีพระชาติได้แฉพวคนเราถ้าหากว่าเกิดมาชาติหนึ่งเปลี่ยนศาสนาหน่งสามศาสนามันเกินเหตเกินผลไปนะฮะเกินเหตเกินผลมากไปน้อยดังนั้น ท่านจึงตำหนิเอาไว้ผู้หญิงงามสามผัวผู้ขัวโทษชายสามโบสถอยากพบผู้หลบหนี้หญิงงามสามผัวก็เหมือนกันนะครับคือหมายความว่ามันต้องเป็นปัญหากับผัวอะไรแล้วก็เปลี่ยนผัวไปเรื่อยๆคือไม่ใช่ว่าผัวตายหรือว่ามีคามจําเป็นอะไรบีบคั้นแล้วก็ไปลงโทษก็อย่างนั้นก็เกินไปนะแือว่าถ้าว่า อยู่กันแล้วไปนอกใจสามีอะไรต่ะอะไรก็เปลี่ยนสามีไปรเรื่อยๆเออมันก็น่าคิดพระพุทธรูปที่สูงที่สุดในโลกในประเทศอับกานิสถานถูกทําลายโดยผู้เมีอำนาจของประเทศนั้นหลังจากนั้นอีกไม่นานประเทศอับกานิสถานก็ถูกสาระโจมตีถือว่าเป็นการเจ้าชายกรรมให้าศาสนาพุทธไม่กรรมก็คมเยอะนะครับพวกนี้ก็ทํากรรมมาเยอะก็จะถือว่าเฉพาะไอ ใช้ชการไม้แค่แบอกแก่ว่าพุทธศาสนาอย่างเดียวก็ไม่เชิงเพราะว่าเขาทําอะไรมามากมายเนี่ยฮแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าถ้าที่ตรงตัวนั้นเราจะเห็นว่ามันอยู่ในบินลาดินบินลาดินบินลเดนเนีดนะที่แกไปอยู่เบื้องหลังของการถล่มตึวกวนเสร็จก็แกก็ออกมาแล้วเนี่ยขาสารภาพแกกลายแล้วก็แสดงว่าแกก็อยู่เบื้องหลังการกระ ท, ทําเช่นนั้นจริง เขาก็พูดกันตั้งแต่วันนั้นแล้วแต่ว่าตั้งสามเดือนให้หลังจึงแก่ปูดออกามาเองเออการเข้าถึงพุทธธรรมมีอย่างไรบ้างครับพุทธะกล่าวโดยสรุปแล้วเนี่ยนะพุทธธรรมทั้งหลายก็คือหลัก อ, อริยสัจทั้งสี่ประการในความเป็นอริยสัจทั้งสี่ประการนั้นถ้าเราสามารถลดสมุทัยลงไปได้ แล้วก็พัฒนามักขึ้นมาได้นะฮะหมายความความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นพอสมควรมีปัญญาในการครองชีวิตมีจิตใจที่บริสุทธิ์ขึ้นแล้วก็มีความเมตตากรุณากับุคคลอื่นตามสมควรแก่ฐานะนี่ก็ถือว่าถึงได้แล้วแต่ว่าถึงที่สมบูรณ์นั่นมันต้องเป็นนนุปุท ธ, ธเลยนะฮะคือถึงถึงพระพุทธธรรมได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยก็ยังต้องเป็นพระอราหันต์ไปเลย ว่าถ้ายังเป็นสามัญชนยังไงเราก็ยังไม่สมบูรณ์เราถึงไม่เท่าที่จะถึงได้ตอนนั้นเองพระไตรปิฎกควรได้รับความเชื่อถือยังไงก็พระไตรปิฎกนั้นเป็นเอกสารที่ผ่านการถ่ายทอดมาจากปาอรหันทั้งหลายซึ่งทรงจำกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะฮะและท่านมีวิธีการในการจำในการรักษานี่เยี่ยมมาก หมายความว่าเช่นสมมุติว่ากลุ่มหนึ่งมีหน้าที่รักษานิกายหนึ่งเนี่ยท่านจะสอบทานแล้วจะสาธยายกันแล้วก็มีหลายๆกลุ่มหลายกลุ่มเห ล, าล่า น, นั้นเนี่ยมาถึงก็สาธยายร่วมกันพอลงตัวกันได้ก็ถือว่าใช้ได้นะฮะหรือสวดไม่ผิดกันเลยเนี่ยคนอยู่เป็นคนละทิศละทางมาเจอกันแล้วมาสวดไม่ผิดกันเลยเนี่ยแสด้ว่าเก่งมากนั่นก็ถ้าเราไม่เชื่อปราชญ์ปิฎกก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรใครอ่ะนะ เพราะคนที้น่าเชื่อที่สุดคือที่มาเนี่ยคือพระพุทธเจ้าเป็นหลักมีภาษาเวกมีพระอรหันต์ทั้งหลายบ้างกันนหะแต่ว่าไม่มากอ่ะส่วนใหญ่ก็เป็นพระพุทธธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงแล้วก็ถ่ายทอดมาโดยพระอราหันต์เป็นห้าร้อยปีหลังจากห้าร้อยปีมาก็คัดลอกเป็นตัวละลักษงสอนกมาก็คัดลอกกันถึงแม้พระอูตุชนจะทําก็ตามแต่แต่ว่าพระท่านเคารพมาก คือหมายความว่าต่อไปละเมิดคือทำอักษรให้วิปลาสขเาลื่อนไปแม่แต่ตัวเดียวนี่เหมือนกับท้าพระตายองค์นะฮะคือถือเรื่องใหญ่มากๆเลยมันเป็นคำพีที่ระมัดระวังสูงระดับคำพีนี่เหมือนกันทุกศาสนานะคำพีอันกุรานของอิสลามยังถือใหญ่เลยถือขังถือศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เลยศาสนาคริสก็เหมือนกันนะฮะถือศักดิ์สิทธ คือไม่เป็นเรื่องที่เรากวานจะมาปฏิเสธเราเป็นใครที่จะกล้าปฏิเสธขนาดปัจจัยบิดโดกปัจจัยบิดโดกเป็นคําสอนที่ผ่านการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามานะฮะไม่ใช่คาสอนสามัญธรรมดาธรรมดาสมาทิสมาธาิชาหรือปัจนาต่างกันยังไงสมาธินั้นเป็นผลจึงเกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิกามทาน ใจสงบจากนิวรณ์นะเรียกว่าสมาธิทีนี้สมถะก็คือการพยายามทําใจสงบจากนิวรณ์นะฮะระการทีนี้เมื่อใจสงบจากนิวรณ์นะฮะระการก็บรรลุฌานฌานจึงเป็นผลของสมาธิต่อจากสมาธิอเอกทีหนึ่งนะหมายความสมถะสมาธิแล้วฌานทีนี้พอมาถึงฌานเนี่ยท่านจะย ก, กจิตขึ้นสู่วิปัสสนาพิจ า, ารณาขันห้าตามปัจยรัก เมื่อเห็นตามความจริงว่าเป็นของไม่เที่นเป็นทุกข์เป็นหน้าตาแล้วก็เรียกว่าวิปัชนาก็ต่อกันไปอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นปัจจัยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการรายกันไม่ได้ไม่ได้เจาะจงว่ า, าต้องแยกออกมาจากกันนะฮนะพระไตรปิฎกคำปีวิสุทธิมารัตะกถาจารย์ต่างกันยังไงพระไตรปิฎกนั้นคือพระบาลีพุทธวจนะ ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วก็จำทรงจําทรงถ่ายทอดกันมาของพระสังคีติกาอาจารย์ทั้งหลายหรือพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายประคันทาัถานาอาจารย์ทั้งหลายกัมปีปีวิสุทธิมักเป็นกัมปีใหม่นะถ้าเทียบแล้วก็เป็นกัมปีที่พระพุทธโกศอาจารย์ท่านเรียบเรียงขึ้นก็ประมาณสักร่วมรวม่วงพันปีก่อนหลังพุทธสมัยร่วมร่วมกัน พันปีไปแล้วแล้วก็เป็นการเรียบเรียงขึ้นตามคำสั่งของพระในคณะมหาวิหารคือท่านต้องการจะไปปฏิวัติหมายความว่าแปลอักษรสิงหขนเนี่ยมาเป็นภาษาบาลีแต่ว่าพระทางลังกาไม่ค่อยเชื่อวว่าท่านจะทำได้ เลยทดลองเอาคาถาบทบทหนึ่งขึ้นมาให้ท่านเขียนอธิบายลองดูว่าท่านเข้าใจธรรมะหรือเปล่าที่กันลอกไปเนี่ยปรากฏว่าท่านทําได้ประสบความสําเร็จก็กลายเป็นคำภี์ที่มีความสําคัญเพราะว่าสรุปแล้วก็เป็นใจติขาคือศีลธรรมที่ปัญญา น, นั่นเองอันตรกถาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผู้เขียนอันตรกถาอันตรกถาก็คือคําอธิบายประใจปิโด อธิบ า, จะจะายปัจจัยวีรกีพีหนึ่งเรียกว่านตะกถาอย่างพระวุทธโกษาจารย์ในเรียกว่านตะกัานะผ่านรงศาาจารย์แต่ว่าพิสุธิมรักไม่ได้ถือว่าตะกถานะฮะพิสุธิมรักถือว่าปรกรณ์พิเศษทําไมห้าม่อปีบวชเป็นพระพิษุตีครับก็ไม่ได้ห้ามนะ่ะทีจริงก็กระบวตกันมาสืบต่อกันมาถึงประมาณตั้งห้าร้อยกว่าปีแต่ว่า กระบวนการบวชพิกจุนีมันขาดหายไปถึงสองพันปีแล้วมันไม่สามารถจะมาต่ออะไรกันได้นะเพราะว่าเขาให้บวชอยากพิกจุณีสงไม่ให้บวชจากพิสุสงพิสุสง์ไปประกาศรับรองในตอนปลายกันนั่นเองตรวจลําดับขั้นตอ น, น, นต่างๆไปเล่นของพิจุนีที่จะทํากันเองแต่นี้เวลานี้มันไม่มีพิกษุนีแล้วนะไม่มีพิจุนีแล้วก็ก็ไม่รู้จะบวชยังไงเ่ย ถ้าขืนบวชกันไปก็ไม่เป็นพริกสุีโดยชอบด้วยระวีในเป็นบาปกรรมของเราคนเราไม่จําเป็นต้องบวชหรอกธรรมะนั้นปฏิบัติในฐานะอะไรก็ได้ในเพศอะไรก็ได้ก็ไม่ได้ว่ากันคำว่าธรรมะธรรมะศาสนาคำว่าธรรมะธรรมะศาสนาคือทํำทำธรรมะแลยก็ศาสนาเนี่ยก็หมายถึงเรื่องเดียวกันนะว่าจริง ธรรมะนั้นแปลว่าสภาที่ทรงไว้ทีนี้เวลาท่านเขียนเนี่ยบางทีคือจริงเนี่ยเขียนเป็นธรรมหรือธรรมะเนี่เขาก็ดูเขาก็อ่านเวลาอ่านเนี่ยเขก็ใส่ใส่ตระหรือไม่ตระนี่ก็แล้วแต่อาจจะอ่านก็ทำเฉยๆเพื่ออ่านไปธรรมะเช่นพระพุทธธรรมเนี่ยไม่ก็ไม่ต้องอ่านว่าพุทธธรรมะทีนี้ ธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเนี้ยต้องอ่นานธรรมะคือปรามีหรือไม่ ม, ไ ม, มีไม่ได้ว่าอะไรแต่เราก็รอ เ, เ, เราก็ต้องใส่ปราเข้าไปวัฒนการภาษาบาลีนั้นคือตัวอักษรอะไรก็ตามที่ไม่มีจุดจุดข้างล่างอักษรนั้นถือว่ามีสระอาดอยู่ทุกตัวนะฮะมีสระอยู่ทุกตัวเช่นพะยะวะโตอย่างไงเห็นไหมพระยะวะโต ตัวพ่อตัวตัวข้อตัวคอตัววอไม่มีอะไรเลยแต่อ่านออกาพระยะว่าโตัวเรียกว่าทุกตัวนั้นต้องมีประวิสัญญีคือมีมีสะอาดอยู่อคําว่าจัตธรรมะนั้นก็วิธีอ่านเฉยๆนะเขียนเขาต้องการจะให้อ่านเป็นธรรมะคือผู้เขียนเนี่ยต้องการได้อ่านเป็นธรรมะแล้วก็ ในช่วงที่ไม่ต้องการในอ่านเป็นธรรมะเขาก็ไม่ใส่ปะในช่วยต้องการในอ่านเป็นธรรมะ่าใส่ปะเข้าไปนั้นเป็นเรื่องของความสะดวกนะฮรความสะดวกเป็นการชี้แน่กันศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนคําสั่งสอนของใครก็ได้นะฮรที่เป็นระดับาศาสดาก็เรียกว่ า, าศาสนาทั้งนั้นก็ เป็นคําสั่งเป็นระเบียบวินัยในการจะต้องประพฤติปฏิบัติและเป็นคําสอนให้ประพฤติปฏิบัติรวมแล้วก็เรียกว่าศาสนามีความหมายเหมือนกันหรือไม่ครับก้อเนี้ยก็อย่างที่บอกเนี้ยก็ไม่ถึงกับแยกออกไปอย่างสิ้นเชิงแต่ไม่ถึงกับเหมือนกันทีเดียวนะฮะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะว่าธรรมะนั้นเป็นตัวคําสั่งสอนตัวคําสั่งสอนของ ท่านพู้นั้นของาศาสดาเหล่านั้นในาศาสนานั้นนั้นทําทําไมจึงต้องมีการจัมมะพระไตรปิฎกด้วยครับพระไตรปิฎกยอดเดิมก็ดีอยู่แล้วเขาเขาไม่ได้จัมมะนะฮะเป็นการพูดง่ายว่าตรวจปุ๊บอะพิสูจน์อักษรเป็นการตวรวจปุ๊บคําสอนเพราะว่าพิมพ์มาหลายข้างหลายคราวเนี่ยตัวหักตัวงอะอะไรต่ออะไรคือหนังสือเนี่ย สมัยนี้ก็เขายัางชั่วหน่อยนะเพราะว่าใช้คอมพิวเตอร์สมัยหนึ่งที่ท่นานใช้อสมการเรียงตัวเนี่ยพอพิมพ์เล่นตันพันแล้วตัวมันหักก็ได้เพราะมันต้องสอบถานเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปจากความจริงบางสุกุลคนเป็นบางสุกุลคนตายต่างกันยังไงก็ เป็นประเพณีที่เรายึดถือประพฤติปฏิบัติกันมาในสังคมเราคือคนเป็นที่เขาป่วยหนักเนี่ยเขาก็มาทําวิธีบางสกุลบอกว่าอาจิรังวัตยังกายโยกายนี่ไม่นานเนอะปะเถรวิญอธิเสสติจะล่มลงเหลืลอแผ่นดินจุดโดอเปตะวิน ญ, ญาโนปะวิน ญ, ญาโกจากร่างแล้วในรัดถังว่ากลิงกะลงังก็เหมือนกระ thon ไม้ที่หาสาระแกนสารอะไรไม่ได้ บรรดาคุตายนั้นก็เปลี่ยนข้อความทังนั้นเองแล้วก็ไปมองที่ซากศพที่ตัวคนตายบางทีก็มีผู้สายโยงอย่างในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีสายสายสิ่งนี้สายโยงมาพระเราไม่เห็นศพพระรูปรบางเป็นยงไงส่วมื่ก่อนก็ดูศนะพนะวางบนศพเล ย, อ, อ, ลล ย, นะยลอย่าภาคุมศพแล้วก็วางบนศพเลยพราว่าอานิจจาวัฏสงสารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงโนบาราวยาตมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา กูไปชิตตะวานนีรุ้จันติเกิดขึ้นแล้วยมดับไปเตสังบู็สโมสุขโขการทำจิตให้เข้าไปสมุประ ง, งับในสังขารทั้งหลายเสด็ได้ก็เป็นความสุขกอเป็นวิธีการที่จะให้เกิดความไม่ประมาทในการดำรงชีวิตของบุคคลนะฮะหมายความว่าบางสกุลคนเป็นก็แสดงคนเป็นกาจะตายบางสกุลคนตายแสดงว่าคนเป็นก็กาจะตาย เรามาเตือนคนเป็นนะนะให้เรียนจากคนตายว่าเราเองก็กลายจะตายตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่เราก็ต้องตายแลตวทราบว่าอัปปนาสมาธิอัปปนาฌานต่างกันอย่างไรครับก็เป็นสมาธิด้วยกันนะนะฮรแต่ว่าอัปปนาฌานมันมันหนักแน่นกว่ามันมั่นคงกว่าอัปปนาสมาธินั้นเป็นบันไดขั้นต้น พูดง่ายๆว่าอัปปนาสมาธิเนี่นําไปสู่อัปปนาชาคือเมื่อจิตใจสงบหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นก็จิตก็เก้าวขึ้นไปสู่อัปปนาชาคือเป็นความหนักแน่นมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่นั้นเด้งก็เป็นอาการต่อกันแต่ว่าเรียกกันคนละตอนทําบุญไปแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าถึงญาติที่ลงรับไปแล้ว คือว่าไอ้รู้ให้รู้ต้องๆเนี่ยมันก็คงจะรู้ยาก น, นะเพราะเราก็ไม่มียานไปอย่างรู้อย่างนั้นแล้วท่านก็ไม่มาบอกเราด้วยนะฮะว่าท่านได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่เราทิพไปให้เนี่ยแต่เราก็ต้องเชื่อมั่นในหลักการที่พระเจ้าทรงสแสดงเอาไว้มันหนึ่งให้เราทําบุญอย่างใดอย่างหนึ่งสองเราตั้งใจอุทิศกุศลเหล่านั้นเนี่ยแก่ผู้ที่ตายไป แล้วผู้ตายจะทราบหรือไม่ทราบก็ไม่รู้แต่เราก็เชื่อว่าท่านทราบแล้วก็นุโมทนาในกุศลจริยาส่วนนั้นถ้าครบองค์ประกอบ ด, ดังกล่าวแล้วก็ชื่อว่าเป็นการสำเร็จประโยชน์ทั้งแก่ผู้อยู่และแก่ผู้ไปเราทำเรื่องเรื่องบางเรื่องเราทำโดยความเชื่อนะฮะคือมันไม่ใช่ติดต่อรายงานส่งจดหมายไปแล้วก็ตอบรับมาอัไรอย่างนั้นมันอีกเรื่องหนึง เราไม่มียานไปยังรู้ขนาดนั้นตันเองก็ไม่ได้มาบอกเราแต่เราก็เชื่อตามหลักที่พระเจ้าทรงแสดงว่าการทำบุญประเภททักษินานุปาทานเนี่ยการเพิ่มให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ตายเนี่ยย่อมสำเร็จแก่ผู้ตายตามต้องควรแก่ฐานนะต่แล้วไปไหนไปตามกรรมนะส่วนใหญ่หายเงียบหมดก็เขาก็ไปเสวยผลกรรมเขาอยู่ในโลกที่เขาได้อุบัตินั่นเอง เขาอาจจะตั้งใจจะมาหาเราก็ได้แต่ว่าปัญหาสำคัญว่าโลกโลกแต่ละโลกในอา ย, ยุของโลกมันต่างกันทำให้คนไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องคุณสมบัติอีกระดับหนึ่งเนาะคุณสมบัติระดับสูง พัฒนาการทางจิตระดับสูงทีงนี้ท่านที่เข้าถึงระดับนั้นท่านก็ไม่ได้หยุห่มหยิมจิดใจอย่างสามัญชนทั่วไปนั่งมาถือเป็นเรื่องธรรมดาทําไมเพราะอะไรเรื่องเกี่ยวกับพระสงฆ์ที่ทําผิดเกี่ยวกับผู้หญิงจึงมีมากมายแต่พระที่บินตบาดแล้วรู้กับร้านที่ขายของที่ใส่บาตนํากลับมาขายอีกทําเพื่ออะไร คือโลกนี้มันมีผู้หญิงกับผู้ชายเหล่านั้นแล้วผู้ชายกับผู้หญิงตองนั้นเนี่ยมีปัญหาในทางเพศกันเนี่ยพระก็เป็นผู้ชายนะทีนี้มันไม่มากมายหรอกปุ๊บก็พูดอะไรมันเกินไปอะนะ่ น, น, นานๆเนี่ยเจอเกิดข่าวในลักษณะนี้ขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วเมื่อท่นทนห้ามใจตัวเองไม่ได้อดกั้นในเรื่องแบบนี้ไม่ได้ก็สื่อออกไปก็ไม่ได้ว่าอะไรสื่อออกไปก็จบกัน โดยส่วนพระอย่างนั้นส่วนมากส่วนใหญ่นะ่ะเป็นพระปลอมบวชนะฮะแต่ยังลืมว่าในสถานะหนึ่งเนี่ยเขาก็เป็นคนไทยเขาเป็นชาวพุทธเราเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงก็ปลอมบวชมาแล้วไปทําอย่างนั้นหรือบางทีก็ไม่ปลอมบวชตอกเป็นแต่พวกพระหลวงตาทั้งหลายเนี่ยเป็นบวชตอนแก่ตัวนี้ก็พูดยากกันยากทงความเข้าใจก็ท่านยากท่านไม่ค่อยรับผิดชอบอะไรในสักเท่าไรหร่หรอก มันจะทําอะไรท่านก็ทํากันไปตามตามอธัธยาศัยของท่านให้เราก็อย่าไปยุ่งกนะับท่านเหล่านั้นเด็กก็แล้วกันเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยท่านทําความดีท่านก็รับผลดีทําความชั่วท่านก็รับผลชั่วเป็นเรื่องดีท่านจะต้องดับต้องได้รับไป พันยาและกระผมเคยได้ไปกับเพื่อนเพื่อไปรดน้ำมนที่วัดแห่งหนึ่งแถวแถวเหตุสามพรานองค์รปฐมรดน้ำมนเสร็จเพื่อนก็ได้ใส่ซองให้ถวายร้อยบาทแต่ไม่ทันกราบพระเปิดซองดูเห็นเนงินทิ้งทันทีที่มีความหมายว่าอย่างไงอันนี้ไม่ไม่แน่ใจนะ คือบางทีพระไม่รับเงินท่านนึกว่าใบบารนาพอเปิดดูเห็นเงินก็ทิ้งนาทีอันนั้นก็ได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็รู้แล้วนะอะไรเป็นอะไรเนี่ยก็ทิ้งลงไป ก, ก, ก็ทิ้งไว้ตรงนั้นเราให้เด็กมาเก็บตอนในโอกาส ต, ต่อไปเราเราไม่รู้หรอกการกระทำของคนอื่นแต่ว่าเราได้ทำไปแล้วก็พอแล้วไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียด เราจะถือว่าท่านไปแสดงอาการดูถูกดูหมิ่นหรือไม่เราก็ไม่รู้แต่ว่าเราหน้าที่ของเราเราก็ทำไปแล้วว่าจบกันทำไมผู้รักษาฉีนจึงไม่ละเว้นการกินเนื้อสัตว์ทั้งๆที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้ในสีข้อที่หนึ่งอยู่แล้วพระเจ้าอ่านในลังกาวาตารสูตรแปลโดยท่านพุทธทาปิปุลังกาวาตารสูตรนั่นเป็นหนังสือที่หลังนะฮะเขียน ของมายาญาเขาคือมายาญาเนี่ยจริงๆมันเป็นเหตุผลทางเศรษฐกิจทางสังคมก็คือว่าคนเนี่ยเขาไปกินเนื้อสัตว์กันมากแล้วทำให้ขาดสัตว์ที่ใช้ในภาคเกษตรกรรมสมัยพระเจ้าเหลียงบูเต้ก็วางแผนกับพระก็ททำยังไงจะเชิญจุดนรงค์ชักชันวในชาวบ้านเนี่ย งดเว้นจากการกินเนื้อสัตว์เพื่อจะไม่ได้ต้องฆ่าสัตว์ก็เน้นไปที่โคที่ควายนะที่จริงก็เน้นไปที่โคที่ควายต่ตหลวงพระก็เห็นด้วยแต่ว่าพระพอเอาไปจริงในตัวเองอยู่เมืองหนาวนี่มันอาหารไม่พอที่จะเลี้ยงชีวิตให้เป็นปกติสุขเลยท่านก็ต้องมีอาหารตอนดินพระหมายาในะกินอาหามือเย็นนะยินอาหารมื้อเย็น แล้วก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดคือมังสวิรัตเนี่ยมันพราดเราไปรับไม่ได้เราเป็นวายแต่ถือกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มแล้วก็จัด ก, การกลุ่มฮว ง, วงหา้หาหกันกินเองกันได้นะแต่พระเราสรัะไรถึงบินตาบาดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะกินมังสวิรัตเนี่ยเดี๋นี้สมมุติว่าชาวบ้านก็ตักอาหารมังสวิรัตมาพระก็รับแล้วก็ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไร ก็ไม่เคยสนใจมันเคยติดใจกันเราเลยเรื่องเรื่องแดเนี้ยแต่ว่าจะให้สแสวงหาเนี่ยมันเป็นการแสดงหนึ่งตันหามากเกินไปเขาจะทําบุญอีกอย่างหนึ่ง่าไปฉันอีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกวันมากเรื่องนะฮะของท่านพระเราเนี่ยทรงสอนไว้วันกระชิตควรพิจารณาหนึ่งๆว่าชีวิตขเขาเอาเนื่องโดยคนอื่นเราควรทําตัวเราเรียน ง, ง่ายก็ให้อะไรฉันก็ฉันกันไป ตามกำลังความสามารถของเราที่จะครองชีวิตได้เป็นไปได้นะไม่ต้องไปติดใจในรายละเอียดมากนะแล่ในวินัยเองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ห้ามอ่าอันที่ทรงอนุญาตเนี่ยเนยใสในคข้นน้ำมันน้ําผึ้งน้ําอ้อยปลาเนื้อหนุ่มสดหนุ่มสุมทั้งปลาทั้งเนื้อทั้งนุมสดทั้งหนุมสุกนะเห็นไหะ ม, มันก็ไม่ใช่เป็นหลักการที่ พระพุทธเจ้าส่งส่งห้ามไอศูนย์ข้อที่หนึ่งมันคนละเรื่องกันข้อที่หนึ่งมันเรื่องของการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นั้นเป็นบทปัญญติห้ามจริงแต่ว่าการกินเนื้อเนี่ยมันคนละประเด็นกันเราไม่ได้ฆ่าอะไรเนี่ยแล้ตอนเรากินมันไม่ใช่สัตว์แล้วมันเป็นอาหารท่านั้นเองจับไดว่าเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงรักษาร่างกายให้ดํารงคงอยู่ท่นั้นเองต้องฟังท่งไหร่ ใตโลมาโพธยาในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่วงงำไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยโทั่วกันสวัสดี